ท่านผู้ฟังและท่านผู้อ่านทั้งหลายตอนนี้ไปก็ขอทุกท่านฟังเด้ออ่านเรื่องโลกหลุมดําตอนที่ 2 โลกหลุมดําตอนที่ 2 นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทคอคุยกันแบบรัดๆเมื่อกี้ก็ย่างเท้าก้าวมาเรมวดงดๆงดงดทีแรกงดแรกก็เห็นจักไม่ค่อย ที่โบก็ไปที่ เข้าเขตดินเริ่ม ต่อไปก็สวยน้ำเขียวก็จีไอ้เขียวก็จีมันเขียวแบบไหน อายุไม่ค่อยจะมากนักรูป ก็บอกว่าผิวพันธุ์ลักษณะหน้าตาบอกว่าไม่ใช่คนโลกนี้ได้ประการ เมืองท่ากับมหาสมุทรที่ๆมีจิตใจเป็นสุขคนที่เดินไป Kabak deiké kan worden talletangmottsam, wordt talletangmottsam, sam talletangmottsam, 3 talletangmottsam, wordt talletangmottsam, wordt talletangmottsam, wordt talletangmottsam, wordt talletangmottsam, แบนโนโลเค้าสงสัยหันเข้ามาถามพระท่านถามว่าแบนโนโลนี่มันหมายความยังไงโนโลโลลิงพระ <c oughs> แต่เขาก็เป็นโนโลนี่ก็แปลว่าเรือเดินมหาสมุทรงั้นในขณะนั้นก็เห็นด้วยกําลังวิ่งอยู่แต่สี ขอดิมเค้าใส่หัวว่าคําว่ากฎหมายที่นี่ไม่มีก็ ไม่ได้ลอยไม่ได้บินเดินเลื่อน คนโลกนี้ติดต่อโลกโน้นโลกโน้นติดต่อโลกนี้ติดต่อกลับไปติดต่อกลับมาเนี่ยมีเยอะเป็นปกติก็ฐานก็บอกว่าชาวโลกต่างๆที่มาเนี่ยเข้ามาเป็นญาณภารณะอะไรเขาก็ตอบหน้าตาเฉยบอกไม่เห็นมีอะไรเนี่ยมันก็เป็นญาณภารณะปกติแล้วก็นึกใน Daarover kan ik een bon lok. Ik heb van niep, ik heb van niep, ik heb een niep, ik heb een niep, ik heb een niep, ik heb een niep, ik heb een niep, ik heb een niep, ik heb ik heb een niep, ik heb ik heb een niep, ik heb ik heb een niep, ik heb ik เราก็จะไปดวงดาวที่ใกล้ที่สุดเป็นโลกที่ใกล้ที่สุดคือดวงดาวพระจันทร์ถ้าไป <c oughs> <c oughs> แต่ชาวโลกตนโลกในที่นี้เค้าเดินทางเป็นทางไปเดินทางมา <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จักคําว่าใจแข็งครับความจริงน่ารู้จักแต่เค้าไม่ใช้กันเพราะ <c oughs> ก็ถามก็บอกว่าประเทศฝั่งนี้มีหลายประเทศมั้ยก็บอกว่า เป็นการค้าขายระหว่างฝั่งนี้กับฝั่งโน้นถามว่าฝั่งนี้นําอะไรไปค้าขายฝั่งโน้นก็บอกว่าส่วนใหญ่ก็เป็นพืชไร่เพราะทางด้านฝั่ง <c oughs> ถามว่ามหาสมุทรเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลมากไหมเขาก็ตอบว่ากว้างใหญ่ไพศาลมากจึงถามกับพระฤาษีว่าในระหว่างที่จะถึงฝั่ง <c oughs> ทีมกาเปรียนพระท่านบอกว่าจะไปดูฝั่งน้อนกันดีมั้ยท่าน <c oughs> เรียกว่าถ้าจริงๆแล้วสวยกว่าประเทศไทยสวยกว่าโลกของเราไปด้านฝั่งนั้นถนนเมืองท่านเขามีตึกสูงๆมันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยหนาแน่นมากความหนาแน่นใกล้กรุงเทพฯแต่ถนนเขากว้างกว่าเราอากาศสะอาดกว่าเราก็เดินทางกลับพอกลับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้แกหาเพื่อนมาตั้งหลาย ก็ต่อก็บอกว่าวิชานี้ไม่มีใครสอนต้องฝึกเอาเอง <c oughs> ก็ต่อว่าที่มาทั้งหมดนี่เป็นพระเขาถาม ว่าพระพุทธศาสนาจะมีในในโลกอื่น <c oughs> ให้ทุกคนนึกถึงพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือให 2,000 ปี 2500 ปีเศษเนี่ยพระมุขลามามาคราวละกี่วันก็ตอบว่าก็ไม่แน่นอนนักอาจจะเป็น <c oughs> 2 วัน 3 วัน 4 วัน 5 วัน 7 วัน 10 วันถึงเดือนก็มีเพราะว่าถามก็ถามว่าท่านมุขลามา ที่ท่านมาก็ได้ไหลมาชั้นใด <c oughs> อย 14 อย่างคือ 1 1 มี 4 1 เมตตาความรักสงกรนาความ สามุโตตามีจิตอ่อนโยนไม่ริษยาริษยากันห้าวเบิกขาวางเฉยแล้วมี 10 อย่างคือ 1 ไม่ 2 ไม่ 3 ไม่ผิดกิจกรรมทางกายทาง แล้วก็ไม่คิดจองล้าง อย่างนี้เขาเรียกว่าโลกโสดาบันใช่มั้ยท่านก็บอกว่า <c oughs> ท่านตอบว่าไม่ได้ส่งเป็นหน้าที่ของพวกคันหลาย พระมคลานิพพานไป 2,000 ปีเสร็จแล้วเนี่ยเมืองมนุษย์ก็คิดเวลา 2,000 ปีเสร็จลงนั้นก็ 75 ปีเค้าก็หัวเราะเค้า ก็ตอบก็ว่าก็เป็นธรรมดา 12,000 ปีแล้วถามก็บอกว่าลุงน่ะรู้จักพระมกฬาหรือเปล่าเขาบอกเขารู้จักก็ปฏิบัติ ไปดูไอ้มันถามว่าเมืองเกาะที่ไปเดี๋ยวใช้เรืออย่างดีหรือใช้เครื่องบินด้วยเขาบอกเครื่องบินก็ใช้เรือก็ใช้รถก็ใช้ก็ถามว่ารถไปได้ยังไงในเกาะเขาบอกว่ามีอุโมงค์ไปก็เลยพากันไปดูอุโมงค์อุโมงค์มีทางรถมี ผมมองมองดูความกว้างแล้ว 4 กิโลเมตรคือไม่ต่ำกว่านั้นสูงกว่านั้นเมื่อนั่งรถไปในระหว่างอมโมงก็ไปถึงไม่ มีตลาดใหญ่มีบ้านที่อยู่หน้าโรงเรียนรวมทุกอย่างไฟฟ้าก็สว่างอากาศก็ดีเขาเรียกว่าเมืองใต้บาดาลเมืองเออพอ <ภา S 1> แต่ตามทางเป็นระยะระยะแต่ว่าที่ เมืองใต้ประดานี้มีความสุขมากไม่มีการเดือดรมมีรถจนมีทุกข์มีวโหสก ถามว่าทำไมจึงถามแบบนั้นเชื่อบอกว่าท่าน รับความร้อนเอ้ยรับความเย็นซะ ไปถึงเข้าประกาศทางว่าถ้ายื่นมือไป late The Fush Edition wasiser by the transfer inaisama bills fromnegotiatingушка That was that by the men who met and if still be a meal that Kid is lost, she has a great feeling before the tourists sw announce to theended samat the addressing partnership seeks to 가 wydjudge to the new world after the prendre minutes, gradually進 seiner firmer they bring their dream together ทางก็บอกว่าถ้าจะขึ้นไปเมืองกลางมหาสมุทรมีที่ขึ้นมั้ยเขาบอกว่ามีก็ถามว่าที่ไหนเขาบอกเอางี้ก็แล้วกันมานั่งรถไปเรื่อยๆกันก่อนนั่งรถไปทินจากที่นี่ไปสักครู่นึง <c oughs> พอปุ๊บปั๊บโผล่มาเห็นอากาศโอ้โหอัศจรรย์ทางๆขึ้นเนินยังไม่รู้ มีความสงสัยว่าเมืองกามยักษ์ไส้เข้าช่องทําพินาศบ้างไม่งั้นลําบากเรื่องดูพื้นดินก็ <c oughs> ขึ้นลมมีเป็นคร่าวๆเหมือนกันถามว่าลมหนา แล้วก็ถามก็ต่อไปว่าถ้าขึ้นลมมาอย่างแต่วิธีที่นี่กันกระแสน้ําแรงได้น้ําแรงเข้ามาถึงเกาะนี้ เขาก็พาไปดูเขื่อนกั้นน้ําทะเลมันเป็นเขื่อนสูงพอสมควรมัน 1 ระดับ 1 ถ้าถอยมาอีกระยะหนึ่งก็มีชั้นหนึ่งถอยมาระยะ ก็ 3 ชั้นแบบนี้เป็นการบรรเทาความรุนแรงของน้ําน้ําเมื่อสะสมมาแล้วบางส่วน หมายความน้ําไหลถนัดไม่ได้ต้องน้ําตาลเลี้ยวปอยเลี้ยวมาดูแล้วก็ <c oughs> วัตถุก็ต้องซื้อเช่นเดียวกันเวลาจะทํากันมา ที่นี่ค่าใช้ใจ 10% แล้ว 20% 30%, 30 60%, 60 70% อย่าง แต่ว่าภาษีที่นี่เก็บอยแต 3% อย่างตามที่สุดก็เก็บภาษีภาษีครึ่งและของระหว่างประเทศที่ไหลซื้อหรือเข้ามาขาย ปล่อยให้ขายกันอย่างเสรีก็เถียงว่าถ้า ก็ใช้เงินก็มากอาวุธเครื่องรบรา <c oughs> ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พลผลจงมีแด่